เขากับาบูชาพระธนาตรกยรกับาน้มสักการครูบาอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่หลวงพ่เทียนหลวงพ่อคำเขียนและในที่นี้ก็มีหลวงพ่อกรมอาจารย์ทรงศิลและขอนามส ก, การอาภิกษุทุกรูปที่มาอยู่ร่วมกันณสาราแห่งนี้ ขอจเจริญพรแม่ชีแล้วก็อุบาสกกุบาสิกาที่มาร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสุขโตแห่งนี้ก็ออนั่งตามสบายนะการมาใช้ชีวิตที่ป่าสุขโตเนี่ย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 ความรู้สึกของเราสงบไหมใจเราเป็นปกติไหมความสงบแบบนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเพียงแต่ว่าในบางทั้งบางโอกาสเนี่ยเราเผลอเราไม่รู้ตัวนะมันก็มีอารมณ์เข้ามาแทรกจะเป็นความน่วงเหงาเหานอน เป็นความปวดความเมื่อยเป็นความคิดฟุ้งซ่านมันเข้ามาแทะโดวยเฉพาะความคิดเนี่ยเป็นตัวการสำคัญนะที่ทำให้เราเนี่ย อ, อท่องเที่ยวนะไปในภพภูมิต่างๆนะบางทีก็ขึ้นสวรรค์บ้างแต่คิดดีคิดถึงเรื่องบุญก็ขึ้นสวรรค์ถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็ตกนรก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 การดูความคิดในที่นี้หมายถึงว่าพอมันคิดเรื่องอะไรเราก็ตามความคิดไปเรื่อยเรื่อยเริ่มต้นจากตรงไหนไปจบที่ตรงไหนแล้วคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาต่อกันไปเรื่อยรื่อยเนี่ยอาการอย่างนี้เนี่ยเราทำให้เรามึนหัวนะมันหลงไปในความคิดแล้วมันเข้าไปอยู่ในความคิดแล้วประดีวมีช่วงหนึ่งหลวงพ่อคำเขียนลงไปที่วัดสนามในตอนนั้นก็จะมีการจัดอบรมแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนไปช่วยหลวงพ่อเทียน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 ไม่ใช่รู้ตลอดหลวงพ่อเขียนเคยพูดเลยว่ารู้เนี่ยให้รู้เป็นจุดๆไม่ใช่รู้เป็นเส้นต่อเนื่องกันไปเราไปเข้าใจว่าต้องรู้เป็นเส้นยังไงหัวงั้ น, น, นตึงตึงเกินไปแล้วเครียดมึนเพราะเราไปจ้องเราเพ่งเกินไปเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการหนึ่งก็คืออึดอัดมึนหัวเนี่ยวิธีแก้ก็คือเราเรา ป, ล, ล, ปาล่อยโล่งๆปล่อยอารมณ์ออกไปบ้างอาจะเพ่งออกมาทั้งในเกินไป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 มันจะเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนะคําว่าความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องไม่ใช่ว่ารู้ตลอดเป็นเส้นรู้บ้างเผอบ้างแต่เผอแล้วกลับมารู้ได้เร็วนะนี่แล้วการต่อเนื่องก็คือทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบนะนอกรูปแบบคือในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นยันหลับแลวบางทีนะถ้าสติเราดีๆนะ บางทีในฝันมันยังมีสติเข้าไปเกี่ยวข้องอีกแต่บางทีมันเข้าไปแก้ไขได้ด้วย น, น, นีมันก็มีมีเหมือนกัน น, นนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกเจริญสติกันในในครั้งนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นการมาพัฒนาตัวเราเองจริงๆนะแล้วก็จะเอาความรู้สึกตัวเนี่ยไปใช้กับการกับงานได้จริงๆนะโดยเฉพาะ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 นะเพราะนั้นสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เจ้าชายชุยิตาเนี่ยได้ค้นพบเมื่อสองพันหกร้อยปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องมาพิสูจน์มาลองดูแล้วลองมาชิมความอิ่มอกอิ่มใจความชุ่มชื่นใจที่มีอยู่ในตัวเราโดยเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือนะในการที่จะเดินทางไปถึงตรงนั้นอนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้ นก็เอ่ออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นการแนะนำนะจากประสบการณ์ที่ที่ได้ฝึกมานะแต่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเอ่อการฝึกเนี่ยนะมันก็มีมีผิดพลาดบ้างหลงบ้างก็ไม่เป็นไรนะถือเอาความผิดเป็นครูเอ่อการการฝึกของเราเนี่ยเราเห็นว่ามันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยให้เราสังเกตดูนะ ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีสิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกา ย, จยใจละใจเราปกติไหมบางคนเนี่ยนะตอนฝึกในรูปแบบเนี่ยก็ใจปกติดีแต่พอออกไปทำ้วยนทำนีำ่พออะไรมากระทบปุ๊บไม่ปกติแล้วอันนั้นแสดงว่าความรู้สึกตัวของเรายัางยังยั ง, ยงไม่คมชัดจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนนะก็ไม่ต้องไปทษตัวเองเพียงแต่ให้รู้ว่าเรายังฝึกมายัางไม่พอนะเพราะนั้น